ใน้ดีแล้วก็ยึดดีไว uh, ้ไม่หยุดเลยไม่ปล่อยเท่าเดินเดิม เ, เป็นต้นยึดไว้น้อยกต่ทะเลาะกันเป็นเรื่องมั่นก็ไม่ดีแต่นั้นะเสียหายหมดน่ะประสบความดีแลก็เอาไว้วไม่ได้ประสบ ค, ความถูกต้องก็เอาไว้ไม่ได้รักษาของที่มันเกิดขึ้นมาแล้วรักษาไปไม่ได้โดยปีบีปัญญาครับพระพุทธเจ้ า, า, you, าเตือนวอย่าไปเดินแง่เดียวแง่เดียวอย่าไปดูมันนี่แง่เดี ย, ยดูมันสองแง่เรื่อยไปก็มันเป็นอย่างนั้นระวางังอผมกลมเห็นผมเป็นอย่างนั้น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 ไม่มีอะไรไง่ายๆถ้าคนมีศรัทธาอลไรมาเป็นอย่างนี้ครับคือคนให้ไม่ได้ยิดไว้อย่างนี้อืมผมว่าอย่างนี้ก็พอเห็นด้วยจิต ข, ของเจ้าของแล้วอย่างนี้ก็ไม่มีทางเดยที่จะสงสัยอย่าไปเมาได้ว่าอย่าไปเมามันครับ อ, อย่าไปเมามันสถานที่สงบไม่สงบอยู่แล้วอย่าเมาได้ดีแล้วก็อย่าเมาดีถูกแล้วอย่าไปเมาถูกถ้าเมาเด้อผิดน ะ, นะเอาดีมีอะไรไหย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 อันนี้เรื่องปัจจุบันเกี่ยวแกัเรื่องอันนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดนีะครับครับละเอียดมากนะอันอันละเอียดที่มันเป็นอย่างหนึ่งนะมันยังหลงแต่ว่าอันสิ่งที่เล็กน้อยไม่เป็นไรนะอย่าไปว่ามันเหมือนกันน่ะเมื่อมันรวงตัวกข้มามันโตได้นะครับอืมออมันโตได้นโแล้วน่าจะว่ามันโตอยู่แล้วครับเออมันเป็นใส่อย่างนี้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 กว่าจะทำนาได้นี่เราอย่าไปคิดอย่างนั้นดิ<อ>นี่คือคิดไปเฉยๆอย่างนั้นอย่างที่ว่าไม่มีอะไรอไม่มีอะไรแล้ว เ, เไม่ไปยึดอย่างเดียวเท่านั้นแหละ อ, อย่าเอากิตมาพูดกันสิออยา่าเอาจิตมาพูดกันสิออย่าเอาจิตมาพูดกันดิเอาเอาธรรมดาธรมรมดานี่มาพูดกันดีกว่าโน้นพระพรหมอยู่โน้อนอืมอย่าไปพูดไปครับผมไม่เห็นพระพรหมเลยอย่าไปพูดอย่างนั้น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 กำลังของเด็กมันน้อยมันก็เลยหนักไอ้หม่พอ น, นี้มันหนักอยู่เดียกสองกิโลแต่เราคนโตไปยกมันก็เบาเอาไปชั่งดูมันก็สองกิโลอย่างเตา่ามันมันเป็นเพราะอะไรไกำลังเรามันน้อยเท่านั้นอันนั้นมันก็หนักกำลังเรามานันมากอันนั้นมันก็เบามันก็เรื่องเท่านี้อืมจะว่าอะไรมันก็ถูกมันอืม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 มันมีคนราเองมันมันจะคนเพว่าเองมันคับนี่มันเป็นใจอย่างนี้เมันนักกฎหมายนะนักกฎหมายมรู้กฎหมายนักแจกกฎหมายก็จะคนรู้กฎหมายนะต้องเดินไปมินมินนั่นแหละที่ไห น, นพอได้ก็โคที่สาออกไป้มันจะต้องเป็นอย่างนั้นนักพยาธินายก็ต้องเป็นอย่างกิตมันไม่ยอมนะที่ไหนมินมิ น, มนอันตรายตกโครไปตรงนั้นเนยอย่างนี้เนี่ยครับมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อืม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 มันเป็นอบายยมุกหรือเป็นความเส<ม>ื่อมเสียสิรธรรมคุณธรรมอะไรต่งางๆเี่ยแล้วก็ถึงวันแล้วก็ต้องถึงไม่เล่นหรือไม่ชอบก็ต้องเดินไปกัเข้าด้วย<ม>นี่เ็าเป็นปัญหาที่ทำให้เรา ม, เมีความเป็นอยู่คล้ายๆกันการภายเกือตวนกระแส น, น้าแต่ตามหลักพี่หลวงพ่อว่าก็ถูกว่าธรรมวินยัยนิพพิ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 <c oughs> ตอนนี้เราส่วนมากก็พาเข้าข้างตัวนะฮ้คือพาเข้าข้างหมูว่ากันก็เหมือนเหมือนกันนี <c> ่ <oughs> ไม่จะทําเราเรามันยอมไลครับ <c oughs> อ่ายอมยอมเป็นคนดังเกลียดยอมไป็คนมินทา ย, <c oughs> ยอมไป็คนสรรเสริญจริงได้อไ <c oughs> <c oughs> อุอโลกนี่มันก็เป็ียนอยู่ไงไม่ใช่เป็นเวลานี่ครับก่อนพระพุทเจ้ายังกุบบาทเกิดมาโลกที่เป็นอยู่อย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นเฉพาะเดียวนี่มันก็เป็นอยู่งี้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 อยากเดียวไอ้ท่านจะทํำยังไงต้องไปทายังไงใครจะสร้างก็มาสร้างกันดิจะไปทไํามันยุ่งยืงอะไรทําไมกันหนักหนาเนี่ยต้องทำในเขาไหนต่อแค่นี้ยนน อ, นยอย่างนี้เกาพยายามทำมาเลยเขาบอกใหญ่ว่าไอ้ทำเหรียญจะอะไรนะบางท่านไปทำเหรียญไปเรื่องสร้างโบสถ์งา่ายๆเร็วเอออ่าโยมเขาสร้างโบดสร้างอาคารใหญ่หญๆเขาขายเหรียญกันสร้าง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 ขอบคุณกำนังย่าด้วยนะน่าจะมินมนุนหลวงพ่อมาเทศ่อหมา่เดียวกับธรรมะธรรมโมนี่รับพอไปได้ใครก็บอกว่าตับสินใจมา่นทำงานมาหกปีจ็ดปีแล้วไม่ไม่ใดนิมนต์ใครที่ต้องมีเสียงเดนินกันก็ไม่ศาสนาที่จะ่แก่งงนก็ถือว่าต่างคนต่างทำงานก็ดีเลยมันก็ไม่จำเป็นที่จงไปอาศัยใครใจมาคิดออ่าเออชักพ้ออย่างนี้ีผมก็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 ตัวตีตัวตั้ง อ, อกรมเรื่อง น, อ น, นี้นายเร า, ามไม่เก่ง <c> น <oughs> ั่นก็หมายความว่ทำไได้ยากทำได้ยากนั่นก็แค่ว่าทาส่วนตัวทำได้ไอาจจะไปพูดได้เพื่อนทํานีมน่มันยากงานยากแต่พออย่างยิ่งย่างสานักอย่างกระผ ม, มก็เป็นปสถานที่สุดทางที่ก่อนนึกว่านาา่าจะไม่ลำบากนักแต่าหากว่าจะได้กล้ำสอนบ่อย เที่ยว ไ, ไม่ลำบากแล่วก็ผมก็จึงตัดสินใจมาแลวไม่เคยคิดผ่านนนี้พวกคนดำน้องเขาเอาไปเอาไปวนเขงอมา <c oughs> มน้อยไป <c oughs> แล้แล้ใครใครก็รับว่าเอาทิ้งวันเดียวแต่ผมก็มาผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดิม <c oughs> ไม่ได้คิดแต่ความจริงใ จ, จ <c oughs> แต่ว่าคิดผ่แต่พยายามเลือดอยู่เสมอรักตอนนะ้เที่ยวขึ้นมาแต่ว่าเราทำไม่ได้โดยเร็วพื้นฐานไมู่่ก็ผมเองยังโทษตัวเองว่าพื้นฐานมัน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 มันมี่ลาดฐานนี่ดีครับอันนี้ที่ที่ที่ผมมีหลายสาขาเนี่ยไปอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยอยากให้ผมไปพูดสักสองชั่วโมงประมาณนั้นเหมือ น, น, น, น, น, นโยมเข้ามาในวัดอย่างนี้แหละมานั่งน้องพ่อฟังเนี่ยว่าในวัดต้องสงบเงียบออกไปจากวัดตะวันแล้วนะผมนึกมา<ไ>ถึงวัดเห็นวัดตล้วู้อยากจะบวชนะคิดคิ ด, คดไปถ้าบวชต้องจะมาบวชวัดนี้นะแต่จะมาพูดอยู่ในวัดนี้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 ถ้าเราจะโทษอยู่คนเดียวเขาคจะดันเกลียดแต่เขจะอะไรเราว่าเราวุ่นมายเกิดเท้านี้ก็ไปได้อยู่นะมันจะเป็นอย่างนี้นะมันจะเป็นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเป็นไงคืออย่างเช่นท่านต้องมีงรท่านพริยาติรรมส่งอยู่นี่น ะ, ะ ย, นยังไม่ได้วัวจะววงน่ะส่งวันนี้เลยเราปฏิบัติ่นี้มันจะมเป็นซึ่งปัญาได้ประกาไปดนะังนั้น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 ยากจะไปตกอย่างนั้นเยยากครับแต่ว่าจะเป็นดีนะแต่ว่าเอาคนหลายได้เนาะแต่ว่าแกงมันหม้อใหญ่คนไม่ทัวถงกันนี <c oughs> บางทีก็ จ, จืดบางทีเค็มๆ่าได้ไม่อร่อยนะ <c oughs> มันหลายคนม <c oughs> มันจะต้องเก็นอย่างนั้น <c oughs> <c oughs> ผมอยากจะได้อย่างนี้เอาคนคนหนึ่งมาสอนมนัให้มันเป็นเสียแถวนี้ให้มันเข้าใจกันทันี้หลักคือค น, คนเดียว อย่างรพรพทจาขององค์เดียวเท่านั้นนะไม่องค์ององกังแรกนั่นนี่ท้นสู้ได้ี่เราเป็นลูกผิดพะพทจาก็ให้มันไส้ชิดเข้าไปอะนะไม่เป็ น, ปนใครมาใส้เข้าไปแต่มันบริสัตธ์นั่นเองนะเนีอย่างนี้แตรว่ามันก็ขึ้นทะเลมันใหญ่มาแล้ขึ้นแล้วขึ้นมันท่วมเรือแล้วเนาะสมใจมันไปง่าๆเนี่แต่เออเนียอ่ะช่างเยอะนะอย่างนี้ก็เอาเอก็เป็นอย่างนี้ครับจะทำยังไง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 อย่างนี้บางทีก็เศร้าใจนะให้เราเป็นนะยังไงเนี่ยอย่นี้ฝืนนะครับมันฟื้นคนต้องฝืนออย่างนี้ก็ไม่เคยสบายนะเราเทศความจริงให้ฟังอย่างดีเลยนะเขาบอกฟังดีเหมือนกันฟังเหานะเหมอนกันแต่เขเดินกันก็เป็นบุบแม่ท่านพูดอะไรมันผูกของาะท่านพูดอย่างแต่เราทําไม่ได้โ <laughs> อย้ยบุญดีไงเราทำบุญดีไ ง, ไ, งนะไงบุญดีหมดเลยนะ อยังเราเป็นนายคนอบรมโยมจิตฟังม้ทำแบบผู้นี้ถูกแต่เราทาไม่ได้ตรนนี้ น, นี่มันตารฟังเทศน้หลายชะโมงเขาเาตัวดีเขาก็ฟังนี้ตั้งใจฟังออกไปเขาคุยมาแม่เขาพูดดีว่าเนืนนะ้อเทศถูกแต่เราทาไม่ได้ก็หมดทันเนีเขาพูดคำเดียวมันคุ้มธรรมะเราเลยนะ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 ท่านมีมวเพศชนิดข้น mm hmm. มีมวลจีนบางหวานไ่เคยได้ยินหรอกมีมนเพศสนิดแ น, ด น, นี้อัจฉม า, รากรฟัง ด, ดูนึงโอ้ยเพศชนิดนี่อัจฉมากรเทศไหนคุณกินข้าวชนิดนี้มันอิ่มหมลององดูสิข้าวให้อะไรกนิดึงคุณพอใจไว้อันนี้ไอ้ฟังคาเอาช น, นิดหนึ่งจะรู้เรื่องอะไรอย่างนี้สาธเตียนนานก่อนไอ้คนมาๆก่อน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 ก็ว ร, ระกาศญาติโยมเหมือนกันมาให้กินเหตุทานพระทันบริสุทธิ์ท่านออกจากบาปมาพระบริสุทธิ์ยังมีหายากผมนี่ยบอกว่าอันนี้คือไปเรี่องคนโทษออกจากกรงมาใหม่ๆเท่านั้นน่ะเอเออเพอเออออ่อานนะะอเอางงาอเออเอะออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออออเออเออเออเอออ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 ถ้ามีโอกาสได้ไปโพูดที่ไหนก็พยายามทำในพวกนี้ค<ะ>รับะไรพวกภริวาสอาชีพเพราะว่ามีรากสักการะเกิดขึ้นีะ่ะไปอยู่ที่นั่นทำการได้ถวะได้รับถวายจะถูกปัจจัยนะฮะเจ้าสํานักนึงเขาเที่ยวประกาศชวน ญ, ญาติโยมมาช่วยบริจาค<ะ>แล้วเขาได้มาก็แบ่งให้สาน น, นี้นี่หน่อยหน่อยเขาก็เอามา ก, มากเลย<ะ> <laughs> เดียวผมก็ว่า <laughs> <laughs> แต่ว่าในกรณีที่เราทราบที่ว่าตามพระินทรในพระพุทธองค์ทรงบัญญัติว่า เมื่อพิสูกมีการต้องอาบัตก็ควรที่จะออกจากอาบัตด้วยความบริสุทธิ์ของธรรมดีซึ่งถราผมคิดฟาทะอย่างนี้ถ้าเขามไม่น่าจะทำนี่ก็เพื่อทําประสงค์เพื่อจะออกจากอามาตัตโดยครบไม่ใช่เพื่อยอย่างอื่นได้ครับแบต่ผันเงินแต่อยู่ใน刹那ปฏิบัติผมมันจะไม่เคยหยกันเนยถ้าหากว่าผมเปลี่ยนนะผมไปยุติสงนไปศึกษาการทางการค่อยส่งครอบกับในเพี่สงบี้ครับนี่ ยังนี้มันจะถูกผมก็ทำเหมือนกันแไม่ไม่ได้ว่าหลวงพ่อนะหลวงพ่อว่าก็ได้ไเป็นไรว่าก็ได้ว่าเลยว่าเลยว่าปเลยหลวงพ่อว่าผมไม่ต้องเรงใไม่ที่ผมกราบเียนนี่ก็ผมก็มีลักษณะอย่างน้คือเราไม่ได้โฆษณาไม่ได้ประกาศไม่มีการหาเงินหาทอเพราะว่าอยู่กันนิ่งเงียบครับนานแล้ผมไม่ว่าเล เว่าจะพวกนี้ปีหนึ่งครั้งเดียวอ อ, อ, อแล้วคอยสิเพื่อนนะครับเพื่อนในทางนี่ว่าชอบเที่ยวไป ม, มากๆอะอย่างเงี้ยซึ่งอย่างนั้นมันกลายเป็นคนหน้าด้านนะออแต่คนไม่ละอายนะออทําเท่าไหร่มันก็แพ้ไปเลยไม่หม ด, มหมดเหมือนใจโรงพยาบาลจะสร้างเติมต่ออีกเท่าไหร่ก็ไม่พอคนไตมันมาก อ, อื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 นะสอนลูกศิษย์เป็นคนที่สร้างก อ, อกตัณใจนะลูกศิษย์มากรากบพระสงฆมาขออยู่ปฏิบัติด้วยอย่างนี้ก็รับเขาไหว้แต่มาอยู่แล้วบอกปฏิบัติก็ไม่ฟังถ้าไม่ควรจะทําตามนี้แล้วปลูกลงไปสองต้นเขาถอนอีกต้นหนึ่งถอนดีเรื่อยๆอย่างนั้นคนหนึ่งตลงูกคนหนึ่งถอนว่าเนี่ยมันจะไปนะออย่างนั้นเรเบื่อเนี่ถอย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 รู้เรียกว่ามันอยู่อยู่ในตารางมันประสาทมันตนึงอยู่ด้วยนะเกตารู้สิตรงหาวันโยงจะมีรูกมากมากกันะแล้วไปโรงเรียนพ่อขอจตางให้ห้าบาทไม่เอาจะเอาแปดบาทใครก็จะเอาอยางงั้นนแ่แหมเกเป็นโดเรตศาสตร์อนไรเนาะมันยุ่งถ้ารมาวัตอย่างนี้นานๆสมาวัต น, น, น, นันน่งในเรยียมันสบายมันปล่อยได้อย่างนี้ เกวสีพัดก่อน